นะพ่อแม่เลี้ยงมายากแค่เป็นแค่ตายให้ปัจจบัิรักษาตัตวเพื่อความเป็นคุณดีทะาดีเนนดีคุณจะไม่เสีย้าขอน้ำอาหารพ่อแม่เลี้ยงดูมาแต่เงมือมุูงความดีเท่าไรมันก็อดเฉล่มเฉล่มมาหน่อ้พ่อ ก็ออกก่านเปิดทรมานเองจรไม่อยากให้ท่านตายแต่ย่อมท่านทรมานไม่กีหนึ่งจริงๆเราอาใจยังไม่อยากให้ท่านตายง่ายๆความทรมานท่านเป็นผู้ทรมานเองเราไม่ใช่ผู้รับทรมานไม่คิดคขังขาดขังทรมานขาดขังจริง หมอเขา ก, ก็บอกว่าไม่มีไม่มีหลังเขก็บอ ก, กเป็นเรื่องพยายามประยุงไปย่างนี้อันนั้นหมอปัญญาก็พูดของผมฟังอาพรก่ช้าตรบจะทำไงยังปปฏิบัติทางไงนแต่พอพุ่้าตอนรบเรก็พูดกัฟังบ้างเล็กน้อยแล้วก็พูดกันกลังนิสัยของเรา เาพูดอาจารย์ทำว น, นๆของคนว่ามันจะไม่รู้เรื่อแบบนี้มันจะรู้แต่เรื่องของโลกเป็นประจําโลกเราจะพูดเรื่องทำคนเดียวมันเหมือนว่าพูดไปทไําไมพูดเล็กน้อยเท่านั้นเ ม, มาไม่รักษาไม่ได้สาละอะไรกับมันปล่อยพูดเดียวไปเลย นั้นสมถรมารอะไรถ้าเชื่อว่าธรรมเป็นธรรมท่านเป็นท่านไม่จะอยู่กับธาตุสารที่สลายนี่แล้วเราควรจะยกผลประโยชน์ให้ท่านเพราะนี่ก่อพลผลเบื่อมาหเจ้าของเข้าใจเป็นผลประโยชน์จะนันเป็นโทษอยู่ในตัวกนันได้ท่านสมถรมารไม่ถึงนี่จะได้ให้อยู่นานๆห น, น, นึ่งะ เห็นนาสสังเวชผมทำมาตรากฏเลยมีป็นเรื่องขันท่วมโลกท่วม้งสารอยู่ในอกของท่านทำาม่มีทางปรากฏไม่มีใครกรลึกรู้สึกบ้างเลยเอาแต่ท่านะกานั่ขงท่านมาออกหน้าออกตาเป็นเรื่องใหญ่ตูแล้วก็ทรมานท่านแต่โดวยวิสีนั้น เราเราพูดกลงของเราอ่ง้เราเคยพูดัำหมู่กำพื้นมามากตอมาแล้วยาลากเราไปลงในโลกนี้นั่นมากกว่าเมื่อไรเพื่อ uit. จะยังไม่ได้ยาลากเราไปอย่ังไม่ได้นะเรียงขันนั้นอะไรต่อมัน ดินน้ำลมไนอะไรกัมันวิเศษวิโสอะไรชาติชาติมาแล้วกันงแต่วันเกิดเมอมันหมดมันผ่ามันแล้วก็ปล่อยมันเลยว่าทรมา น, นไม่เลยถึงแล้วของเราที่จะทําให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะถามเราไปาานู่นถามนี่ไม่ได้นะฟังให้ถึงใจนั่นเองย า, ยางเราไม่เป็นแบบนั้นเป็นทางขาด เราจะอยู่ที่ตรงไหนให้ตายตรงนั่นเลยไปว่าได้ตรงไหนตายตรงนั่นหรอจะเอาหนีโยงยากแค่ไหนขัดมากที่บอกล้วพูดอย่างเต็มหัวใจออกมาจากความเป็นหัวใจเราบอกเราไม่เคยจะทุกระท้านกับเรื่องความเป็นความตายพื้นน้ำหนักเท่ากันในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้น มันตาไม่ได้หรือไม่ได้ก็อยู่สิไหนหนูจะตายหรือว่าตายสิเนี่ยถ้านั่นเองหนูเนื่องธาตุขันธ์กระไหลท่านนั่นอะไรตายเป็นตาธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์รู้กันอยู่ชัดๆเผลอเป็นทำหมต่อเครื่องมือเครื่องใมันเหมือนวัตถุต่างๆนี่วัตถุอันนี้ไปดิคิดอะไรของมีแต่ความรื่นมันสซ่านไปตามประสาทจนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของความรู้นี่ใช่ต่างๆตาเห็นลูกนี่นั่นนี่ ประสาทั้องปรับต้งพันสิ่งนั้นนี่รู้อนั่นอันนั้นรู้นั้นอันนั้นรู้นั้นมันเป็นเครื่องมือของแต่ละอย่างเครื่องมือนี่ใช้นี่เครื่องมือนี่ใช้นี่เครื่องมือนี่ใช้นี่ด้วยอาศัยเจ้าของเป็นลําใหญ่นําเครื่องมือไปใช้นี่ด้วยอาศัยใจเป็นเครื่องมือใหญ่โอเป็นเป็นตัวการใหญ่ที่จะใช้เครื่องมือประสาทต่างๆในร่างกายของเราพอหมดจะมาสภาพแล้วถอนอันนั้นเข้ามาเสียมันก็ลงเท่านั้นเอง <laughs> มันคิดหายไปไหน ที่นั้นถึงที่ถึงฐานของจิตของธรรมเถอะแล้วสงสัยไปไหนนี่ไม่สงสัยในกรุงกปงนะผมพูดจากหนังนี้เอาคิว่าอาหารที่ไม่อาหารทะยมมากก็บอกก็ว่าไปเถอะปากใครมีแต่ความจริงของเราจะพูดเป็นหัวใจของเราออกมาจากหัวใจของเราเต็มที่เลยเราไม่ใชก็ัวกระพังเราพูดกรงงุงปงไม่เคยกลัวไม่เคยกล้าหลักธรรมชาติมียังไงอยู่ตามหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้น ผมมาทำมาแล้วสุดท้ายป่อยความรับผิดชอบอีกเราถุนหน่อยอาจจะควรกินควรกบควรกันควรขีดควรมาในเรื่องของเราเห็นเองอนุญาตเองพอใจเองเห็นด้วยเองผมจะโฟกัอีกแล้วกัน ถ้าขันตา ย, ยายอย่างสบายบอกว่าโลกทรงเศร้า ห, รหงอยเวลาจะตายมีไม่โศกวางนันเลยไม่โศกไม่เศร้าไม่รุนรงจะอยู่ตามความคิงหรือตามความกินต้งนนไปตามความกิน<ม>ถึงมันเป็นว่ายังไงๆลุ่มๆโดนๆยุ้ง ๆ, ๆ, ๆต่างๆ เรื่องดคู่คันออกพูดหมดก็เป็นมาหมดแล้วเราไม่สมใจเรื่องมั้นเป็นอย่างนี้กัพูดอย่างนี้ตามมันเป็นนี่จะว่าไงเอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันะ เ, เป็นอย่างนี้ดัน้นแน่ใจว่าไม่มีอดีตแล้วเพราะด้วยด้วยน้ำใจลงนิดหนึ่ อยากให้หมูพวกืั้นได้รู้ได้เห็นแทบอกจะแตกจะเป็นจะตายก็จริงที่จะแทบอกจะแตกอันเป็นปฏิปัปกษ์ต่อกันเข้าว่าทำลายหัวใจาทุกวันเลยทีมันเป็นกระดุลสังเวชเนะ่ะถึงที่มุ่งที่หวังมันไม่ปรากฏถึงได้เึงปรัถนามันสแสดงตลอดเวล า, าเต็มท้าเป็นเนินนเ้ยใครได้ความาที่เสียสูญเพราะความขี้เกียจอ่อนแอ ก็แท้เรื่อยไหลนี่ไวเอามัวดสเราบอกว่าเลนี่คือตลาดของกิเลสตำงานเยบอกดอูแล้วเนี่ยเต็เข้มแข็งเพื่อให้มันพิกเรื่องของกิเลสลงบ้างมันไม่ได้เลยความภาพความเพียนกลัวจะตายหรือนั่นหนละความกลัวตายเรื่องของกิเลสลุนนวนลวนนะตัวตลาดขายสัตว์นี่ย ปิการนามันถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรตายมนะึเชื่อขนาดนั้นนะว่าไงเชื่อแบบไม่สนใจจะถอนด้วยถอนไม่ขึ้นด้วยไม่สนใจจะถอนด้วยนะเวลากลัวตามน ก, กับกูว่อาอะไรเงี้ยกลัวก็บอกว่าไม่กลัวหักไม่กล้าตามหลักธรรมชาติเลยเดี่ยวงงไปหวงหน้าอะไรสมบัติธาตแสนอะไร มันเรื่องความมีความเป็นทั้งหลายเราไม่รับรู้มันก็มีก็เป็นทั้งมันต่างก็าไม่คาดเรารับรู้มันก็มีก็เป็นนั้งมันคืออย่านี้อยักให้เพื่อนๆรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยหมายแต่ม่เป็นเต็มหัวใจเนี่มันจะเห็นนิดนึงพี่พิเรเต็มหัวใจมันก็เห็นมาแล้วมเป็นยังไง ทำเป็นหัวใจใจเป็นทำทำเป็นใจแต่เมดวงนี่เป็นยังไงนั้นมันเห็นมั้งสิพระเจ้ามันจะโอมโกหกน่ทําไมไม่เชื่อเชื่อแต่กิเลสตัวโกหกมันมันได้เรื่องอะไรกิเลสมันเคยมีตัวไหนตัวจริงมีแต่ตัวโกหกนั้นักินก้อนเหมืองดวงทำมีแต่ของจริงมล้วนทำไมมาฟัดมาเหวี่ยงทาไมแม่มาฟัดมาเหวี่ยงกันมัน้ง เราลืมตัวลืมตั ว, ต ว, อ, ตวะ อ, ะอย่างนี้มันเข้าแสใสอเล้วดีเห็นนะอะไรอะไรเอาใจจะขอนิ้ัยสขออะไรสิเลิาไปแล้วนะขอไปทัง่ า, งาไปนั่นเป น, น